วันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยกสิบห้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา เรื่องราวต่างๆของทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ชีวิตจิตใจของตนเรื่องที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องใกล้ตัวเราที่สุดและเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง เพราคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งที่จะให้คุณให้โทษกับเรานั่นเองสิ่งใดที่ไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเราเราไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ให้คุณให้โทษกับเราเราเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้า ไม่ใช่พระธรรมไม่ใช่พระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็ไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเราสิ่งที่ให้คุณให้โทษกับเราก็คือการกระทาของเรานี่เองที่เรียกว่ากรรมหรือกฎแห่งกรรมอันนี้แหละเป็น สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงคือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อแล้วกรรมนี้ใครเป็นผู้กระทำก็พวกเรานี่เองเป็นผู้กระทำกรรมพวกเราจึงต้องเป็นผู้รับผลของกรรมแต่คำว่าพวกเรานี้ก็ไม่ได้หมายถึงร่างกาย แต่หมายถึงจิตใจผู้ที่กระทากรรมที่แท้จริงก็คือจิตใจส่วนร่างกายเป็นเพียงผู้รับคำสั่งจากใจอีกทีจึงไม่ถือว่าเป็นผู้กระทาเป็นเครื่องมือเหมือนเวลาที่เราขับรถไปเกิดอุบัติเหตุไปชนคนตาย ตำรวจเขาจะไม่เอาโทษกับรถยนต์แต่เขาจะเอาโทษกับคนขับรถยนต์เพราะคนขับรถยนต์เป็นผู้สั่งให้รถยนต์วิ่งไปวิ่งมาทําให้เกิดอุบัติเหตุและทําให้คนอื่นตายได้อันนี้ก็เหมือนกันกรรมนี้คือการกระทํามีอยู่สามอย่างด้วยกันคือหนึ่ง มโนกรรมคือการกระทาทางใจสองวจีกรรมคือการกระทาทางวาจาสามกายกรรมการกระทาทางร่างกายนี่คือการกระทาการกระทาที่เป็นตัวกระทาที่แท้จริงคือมโนกรรมคือใจผู้รู้ผู้คิด ผู้สั่งให้ร่างกายกระทำอะไรต่างๆสั่งให้วาจาพูดอะไรต่างๆไปดังนั้นวาจาหรือวจีกรรมกับกายกรรมคือการกระทำทางร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้กระทำที่แท้จริงเป็นเพียงแต่เครื่องมือเป็นผู้รับคำสั่ง จากผู้กระทาที่แท้จริงก็คือใจมโนกรรมก็คือความคิดนี่เองก่อนที่เราจะพูดอะไรได้ก่อนที่เราจะทำอะไรทางร่างกายได้ใจต้องคิดก่อนอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายก่อนที่จะมาถึงที่วัดนี้ได้ท่านก็ต้องคิดก่อนคิดว่าวันนี้จะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรม แล้วพอท่านได้คิดแล้วท่านก็ชักชักชวนเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายอันนี้เราไปฟังเทศฟังธรรมกันนะไปวัดกันอันนี้ก็เรียกว่าวาจีกรรมคือการกระทำทางวาจาแต่ผู้ที่สั่งให้พูดเรื่องนี้ก็คือใจแล้วพอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทาง มาที่วัดนี้อันนี้ก็เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมกับกายกรรมนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทาที่แท้จริงเพราะวจีกรรมกับกายกรรมไม่มีความรู้ในตัวของเขาเองวาจาเขาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรไปร่างกายไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไปแม้แต่ขณะนี้ร่างกายเขาก็ไม่รู้ว่ามาอยู่ที่วัดแล้ว แต่ผู้ที่รู้นี้ก็คือใจผู้รู้ผู้คิดนี่ผู้นี้แหละเป็นผู้ที่กระทําและเป็นผู้ที่จะรับผลของการกระทําตามกฎแห่งกรรมที่ได้แสดงไว้ว่าจะทํากรรมนันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้แหละคือใจเป็นผู้รับผล ใจเป็นผู้กระทาดังนั้นเวลาที่เราจะดูผลนี้เราต้องดูที่ใจไม่ได้ดูที่ร่างกายหรือดูที่สิ่งที่ต่อเนื่องจากร่างกายเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่างๆ บ, บุคคลต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่ร่างกายไปเกี่ยวข้องด้วย อันนี้ถือว่าเป็นผลกระทบเป็นผลพลอยได้อาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้เช่นไปทำผิดกฎหมายก็ยังอาจจะไม่ถูกจับไปติดคุกก็ได้อันนี้พวกเราต้องเข้าใจกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราเองพวกเราคือใจผู้รู้ผู้คิด ผู้คิดให้ทำบุญคิดให้ทำบาปคิดให้ทำดีคิดให้ทำชั่วแล้วผลของการกระทำดีทำชั่วเรือยบุญหรือบาสนี้ก็เกิดขึ้นกับใจอย่างแน่นอนและทันทีด้วยผลแรกที่เราจะได้รับในใจก็คือความสุขหรือความทุกข์เวลาเรา ทำความดีใจเราจะมีความสุขเรียกว่าสุขใจเวลาเราทำบาปทำชั่วเราจะมีความทุกข์ใจอันนี้เป็นผลที่ถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นทันทีนี่แหละคือผลของการกระทำเกิดกับผู้กระทำใจผู้ คิดดีคิดชั่วแล้วก็สั่งให้ร่างกายไปทำดีทำาชั่วแล้วผลก็จะกลับมาที่ใจเคื่อใจก็จะสุขใจือจะทุกข์ขึ้นมาเช่นสั่งให้ร่างกายไปทำบุญใส่บาทททำบุญทาทานไปช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากพอทำแล้ว ก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าใจคิดบาปคิดให้ไปลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นพอได้ไปลักไปขโมยทรัพย์ของผู้อื่นมาแล้วใจก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจเพราะเกิดความหวาดกลัวเกิดความวิตกกังวลว่ามีใครเห็น เราไปกระทำบาปอันนี้หรือไม่มีใครไปแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาจับเราเข้าคุกเข้าตารางหรือไม่ถึงแม้จะไม่ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางแต่ผลที่เกิดจากการทำบาปมันเกิดขึ้นแล้วในใจของผู้กระทำก็คือเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้เรียกว่าผลที่ได้จากการกระทำบุญทาบาป เคยจะได้สุขหรือได้ทุกข์แล้วนอกจากได้สุขหรือได้ทุกข์แล้วยังมีผลอีกอย่างตามมาคือจเจริญหรือเสือ่อมเวลาที่เราได้ยินว่า<ม>การทำบุญแล้วจะทําให้ใจสุขใ จ, จเจริญเวลาทําบาปแล้วจะทําให้ใจทุกข์ใจเสือ่อมอันนีค้คือสถานภาพของจิตใจ ใจิตใจนี้ก็มีสถานภาพที่เปลี่ยนได้ที่ขึ้นขึ้นลงลงได้เหมือนกับสถานภาพในทางโลกเช่นเป็นเจ้าหน้าที่ภาคราชการก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้หรือมีการถูกกลดถูกยศถูกลดตำแหน่งลงได้ก็ในลักษณะแบบเดียวกันคือทางโลกก็มี เวลาทําความดีเขาก็เลื่อนขั้นตำแหน่งให้เวลาทําผิดเขาก็จะลดตำแหน่งหรือถึงกับตกรถออกจากตำแหน่งเลยก็มีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของการกระทําความผิดต่างๆนั้นว่าจะต้องรับการลดขั้นลดตำแหน่งมากน้อยเพียงไรอันนี้พูดเปรียบเทียบอันนั้นเป็นเรื่องของทางโลก ซึ่งไม่เกี่ยวกับทางทางจิตใจไม่เกี่ยวกับทางกฎแห่งกรรมเพียงแต่ทางโลกก็เอากฎแห่งกรรมนี้มาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบฉบับเวลาใครทำความดีก็จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เพิ่มเงินเดือนให้เวลาใครทำไม่ดีก็ลดขั้นลดตำแหน่งลดเงินเดือนลงไปแต่บางทีก็ไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงเสมอไป บางคนทําดีแทบตายก็ไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็มีบางคนทํเชื่อกลับได้ดิบได้ดีก็มีอันนี้คือกฎทางโลกที่ไม่แน่นอนไม่ตายตัวเหมือนกฎทางธรรมกฎทางทางจิตใจดังนั้นขอให้พวกเราต้องแยกให้ออกว่ากฎทางโลกนี้เป็นอย่างหนึ่งกฎทางธรรมนี้เป็นอีกอย่าง กฎทางโลกนี้ไม่แน่นอนทำดีไม่ได้ดีก็มีถมไปทำาชื่อแล้วได้ดีก็มีเยอะแยะไปอันนี้เป็นเพราะว่าโลกเป็นโลกที่ไม่มีความยุติธรรมไม่มีความไม่มีกฎที่ทถาวรตายตัวเป็นกฎที่เปลี่ยนไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาที่จะสามารถพลิกฎกฎกติกาต่างๆ ให้เป็นไปในทางที่ทางอื่นได้ทําชั่วแล้วได้ดีได้ดีก็มีทําดีแล้วไม่ได้ดบได้ดีก็มีฉะนั้นขอให้เราเข้าใจว่าทางศาสนานี้เราไม่ได้พูดถึงการกระทําทางโลกเราพูดถึงการกระทาทางใจการกระทําทางใจนี้คือเรื่องของการทาดี ทำทำบากหรือทำบุญหรือทำบาปซึ่งมีการให้คาอธิบายว่าการกระทาบุญการกระทาดีนี้เป็นอย่างไรการกระทาบุญหรือการกระทาดีก็คือการกระทาที่ไม่เกิดโทษกับผู้อื่นหรือตอนเองเกิดแต่คุณเกิดแต่ประโยชน์กับผู้อื่นหรือกับตนเอง ถึงเรียกว่าเป็นการทำบุญเช่นเวลาที่เราทำบุญใส่บาตรเกิดคุณประโยชน์ไม่เกิดโทษกับใครผู้รับอาหารก็ได้รับประโยชน์ผู้ให้ก็เกิดความสุขใจขึ้นมานี่คือเรื่องของการกระทำทางธรรมต่า ง, างจากการกระทำทางโลกนขอให้เราเข้าใจ ว่าการกระทาทางทางธรรมนี้เป็นเรื่องของการกระทาคุณหรือการกระทาโทษให้แก่ผู้ถ้าทำโทษให้แก่ผู้เรียกว่าเป็นการทาบาป<ม>เช่นไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์<ม>ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงการกระทาเหล่า น, นี้จะทำให้เกิดโทษกับผู้ น้าเมื่อทาไปแล้วโทษนั้นก็จะกลับมาที่ผู้กระทาคือใจก็คือความทุกข์ใจและความเสื่อมใจนี้เองนี่คือกฎแห่งกรรมกฎที่เป็นกฎเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมีกฎนี้กฎเดียวในโลกเท่านั้นที่เป็นกฎที่แท้จริงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเป็นสิ่งที่จะให้คุณให้โทษ แล้วก็เป็นกฎที่ไม่ต้องมีใครมาตามจับผู้กระทาผิดหรือทำถูกไม่ต้องมีผู้มาตามจับให้คุณให้โทษกับผู้กระทาไม่ต้องมีการส่งขึ้นศาลให้ศาลตัดสินว่าผิดหรือถูกอะไรอย่างใดมันเป็นกฎอัตโนมัติเป็นกฎที่เกิดขึ้นทันทีกับผู้กระทาคือใจ ใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาใช้ร่างกายเป็นเมือเครื่องมือเหมือนกับคนที่ขับรถนี่ใช้รถยนต์เป็นเครื่องมือพาไปไหนมาไหนและการขับรถบางทีก็ไปทำให้เกิดโทษกับูดหรือไปทำให้เกิดคุณกับพูดก็ได้เช่นขับรถไปเห็นคนเขาเดินไม่มีไม่มีรถนั่ง ก็จอดรับแล้วก็แวะแวะจอดรับให้เขาขึ้นรถให้เขาได้เดินทางไปสู่ที่เขาต้องการไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วอันนี้ก็ใช้รถยนต์เป็นเครื่องมือในการทำบุญหรือขับแล้วเมาเมาแล้วไปขับไปชนคนตายอันนี้ก็เอารถยนต์ไปทำเป็นเครื่องมือในการกระทำบาปแต่ผู้กระทำไม่ใช่รถยนต์ ผู้กระทำคือผู้ขับรถน่ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ใจมาครอบครองแล้วก็สั่งการให้ไปกระทำการกระทำต่างๆการกระทำทางทางกฎแห่งกรรมนี้ก็มีแบ่งเป็นสามสามทางด้วยกันทางบุญหรือทางดีทางบาป หรือทางไม่ดีหรือทางชั่วแล้วทางที่สามก็คือกลางกลางการกระทาที่ไม่ดีไม่ชั่วไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปการกระทาอย่างไรที่เราเรียกว่าไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเช่นการกระทาที่เราทําให้กับตัวเราเองเช่นเราอาบน้าเราร้อนเราก็อาบน้าอาบท่าอันนี้ เราไม่ได้ไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเราไม่ได้ไปทำโทษให้กับคนอื่นเราทำให้ประโยชน์กับตัวเราเพียงคนเดียวอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทาที่เป็นกลางไม่เกี่ยวไม่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเวลาที่เรารับประทานอาหารเวลาที่เราพักผ่อนหลับนอนเวลาที่เราไปออกกำลังกาย หรือแม้กระทั่งการไปทำมาหากินของเราไปทำงานทำการเพื่อจะได้มีรายได้มาเลี้ยงดูร่างกายการกระทำแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำแบบกลางๆไม่ได้ให้คุณให้โทษกับจิตใจของผู้กระทำคือไม่ได้ให้ความสุขหรือให้ความทุกข์กับผู้กระทำไม่ได้ลดหรือไม่ได้เลื่อนระดับความเป็น ของจิตใจให้สูงขึ้นหรือต่ำลง mm hmm. นะกรรมถึงมีสาม ด, ด้วยกรรมเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วและกรรมที่เป็นกลางคืออยู่ระหว่าง mm hmm. กรรมดีกรรมชั่วคือกรรมกรรมที่ไม่ดีไม่ชื่อเป็นเป็นกรรมกลางกลางเป็นการกระทำกลางกลางไม่ได้ทำให้เกิดทุกข์แก่ผู้กระทาหรือสุขแก่ผู้กระทา เราเป็นการกระทำเพื่อให้ร่างกายเท่านั้นเองเช่นการทำมาหากินเลี้ยงชีพนี้ทาเพื่อร่างกายไม่ได้ทำเพื่อจิตใจเพราะว่าไม่ได้เป็นการทำบุญการจะทำประโยชน์หรือโทษให้กับจิตใจต้องเป็นการกระทำที่ไปกระทบกระเทือนกับผู้อื่นไปสร้างความทุกข์หรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่นอันนั้นนะถึงจะเรียกว่าเป็นบุญหรือเป็นบาป กระทำไปแล้วทําให้ผู้ได้รับความสุขจากการกระทําก็เรียกว่าเป็นบุญทําไปแล้วทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเขาทําให้เขาเสียหายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบาปแล้วพอทําแล้วนี้ไม่ต้องมีใครมาให้โทษหรือมาให้คุณกับผู้กระทาไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลให้ตัดสินว่าอันนี้เป็นบุญหรือเป็นบาป ผิดหรือถูกกดแห่งกรรมเขาจะรู้ของเขาเองผู้กระทาก็จะรู้กับเขาเองกระทากรรมอันใดไว้ดีหรือเชื่อผู้รับผลของกรรมนั้นจะรู้เองรู้ว่าตนเองกำลังสุขหรือกำลังทุกขจากการกระทาของตอนเองดังนั้นขอให้ชาวพุทธเราทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงนี้อยู่ใกล้ตัวเราอยู่ในตัวเรานี่เองก็คืออยู่ในการกระทาของเราการกระทาของใจเราเนี่ยเป็นใจเพราะเราเป็นผู้รู้ผู้คิดแล้วเราก็คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างแล้วพอเราคิดไปแล้วเราก็ปล่อยให้ออกมา ด้วยการแสดงทางกายทางวาจาแล้วเราก็มาสร้างความสุขความเจริญสร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมให้กับตัวเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาสร้างความสุขสร้างความเจริญสร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมให้กับตัวเราได้ที่ไปกราบไหว้กั น, นวุ่นวายไปหมดกาบกราบไหว้เท พ, พเจ้าชนิดต่างๆ เจ้าแม่กวนอิมเจ้าอาพ่อเสืออะไรต่างๆอันนี้เป็นเพียงแต่ความเชื่อเท่านั้นเองเป็นการขาดความรู้อวิชชาไม่มีความรู้ในหลักความเป็นจริงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้คุณให้โทษกับตัวเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ใครที่ไหนอยู่ที่ตัวของเราเองอยู่ที่การกระทำของเราเองดังนั้นถ้าเราอยากจะสุขอยากจเจริญ เราทำความดีกันแล้วมันจะสุขมันจะเริงของมันเอง <S 2> <S 2> ถ้าเราไม่อยากจะทำถ้าเราไม่อยากจะมีทุกข์มีความเสื่อมทาง จ, จิตใจเราก็ละการกระทำบาปและละการกระทำที่สนับสนุนในการกระทำบาปคืออบา ย, ยมุขต่างๆเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน ที่คนเําทกันไปทั่วโลกเดินทางกันไปแทบเป็นแทบตายแม้แต่ชาวพุทธเราเองก็บางทีก็ไปกราบพระที่นั่นที่นี่กันกราบพระพุทธรูปวัดนั้นวัดนี้เพื่อขอให้ท่านประทานพรให้พระพุทธรูปท่านจะมาประทานอะไรให้กับเราพระพุทธรูปท่านก็เป็นเพียงวัตถุท่านเองเป็น บางทีก็ทำด้วยทองคำบางทีก็ทำด้วยหินอ่อนบางทีก็ทำด้วยหยกด้วยมอลลกดอย่างพระแก้วมอลลอกดเรา ก, ก็ทำมาจากก้อนหินดีๆนี่ก้อนหินดีๆมันจะมาทำให้เราสุขให้เราเจริญได้อย่างไรมันจะทำให้เราทุกข์ให้เราไม่ทุกข์ได้อย่างไรมันทำไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของความโง่เขลาเบาปัญญา เป็นความงมงายก็ว่าได้เพราะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ส่งห้ามไม่ให้สร้างพระพุทธรูปมาบูชาพระพุทธรูปไม่เคยพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งสอนว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วพวกเธอมาสร้างพระพุทธรูปกันให้องค์ใหญ่ๆโตๆทุกแห่งทุกคนนะบางวันนี่มีพระพุทธรูปเป็นร้อยสร้างไปแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างพระพุทธรูปพูดได้หรือเปล่าสั่งสอนเราได้หรือเปล่า ให้ความรู้กับเราได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของความงมงายของชาวพุทธเราเองที่ไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงทำให้เกิดความหลงผิดไปเกิดความงมงายไปพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะบูชาเราอยากจะกราบไหว้เราให้บูชาพราะธรรมคาสั่งคำสอน ให้ปฏิบัติบูชาเพราะว่าพระถ้าได้บูชาได้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนแล้วก็จะมีดวงตาเห็นธรรมถ้าเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เป็นผู้เห็นเราเราเป็นธรรมธรรมเป็นเราถ้าอยากจะรู้จากพระพุทธเจ้า อยากจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอยากจะเห็นพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องเดินทางไปประเทศอินเดียให้เสียเวลาให้เสียเงินเสียทองเปล่าๆไม่ต้องไปกราบพระพุทธรูปองค์งต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยมีการผลิตสร้างพระพุทธรูปใหม่ๆขึ้นมากันอยู่เรื่อยๆสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้ น, นมันเป็นอะไรมันก็เป็นเพียงวัตถุทั้งน้เป็นก้อนหินบ้าง เป็นเป็นโลหะบ้างแล้วโลหะ ก, ก้อนหินมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรเราเดินเหยียบก้อนหินอยู่ทั้ ง, งวันเนี่ยพื้นที่เราเดินนี่ก็มีก้อนหินถนนที่เราวิ่งบนรถมันก็มีก้อนหินเหมือนกันมันมีความศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนไห ม, มันไม่มีหรอกเพราะสิ่งเหล่านี้เขาไม่ให้คุณให้โทษกับเราได้พระพุทธรูปไม่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้ ไม่สามารถทำให้เราสุขให้เราเจริญทำให้เราเสื่อมทำให้เราทุกข์ได้สิ่งที่จะทำให้เราสุขทสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ได้ก็คือกรรมนี่กรรมคือการแปลว่าการกระทำกายกรรม ว, วจีกรรมและมโนกรรมแต่ต้องมีมโนกรรมเป็นผู้เริ่มถ้าไม่มีมโนกรรมเช่นถ้าร่างกายไม่มีใจมาสั่งให้ทำอะไร ร่างกายก็จะนอนเหมือนคนตายเช่นเวลาที่ร่างกายนอนหลับพักผ่อนนี้ตอนนั้นใจก็ไม่ได้สั่งให้ร่างกายไปทําอะไรบอกให้ร่างกายพักผ่อนแต่พอร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วที่ใจก็เริ่มสั่งแนละ้วอะลุกขึ้นมาไปข้าห้องนะ้ำนี่ก็เริ่มทํากรรมนะแต่เรียกว่าเป็นกรรมกลางๆเวลาที่เราทําเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายดูแลร่างกาย เข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าแปลงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมรับประทานอาหารนี่เป็นช่วงที่เราทำกรรมกันแล้วแต่เป็นกรรมที่กลางๆคือไม่ดีไม่ชัว่วไม่ให้คุณให้โทษกับผู้กระทำแต่ถ้าเราไปเจอใครขึ้นมาแล้วเกิดอารมณ์เสียไปด่าเขาไปว่าเขานี่อันนี้ถึงจะเกิด กรรมไม่ดีแล้วเพราะว่าเวลาเราไปด่าเขาว่าเขาก็ทำให้เขาไม่สบายใจทำให้เขาเสียใจทำให้เขาทุกข์ใจแล้วพอเรารู้ว่าเราไปทำให้เขาทุกข์ใจเราก็เกิดความไม่สบายใจตามมาต่อไปอาจจะช้าอาจจะเร็วตอนต้นอาจจะดีใจที่ทำให้เขาไม่พอใจทำให้เขาเสียใจเพราะโกรธเขามากก็เลยไปด่าเขาไปว่าเขาแต่ในภายหลังพอได้สติึ้นมา พอนั่งคิดว่าถ้าเราเป็นเขาแล้วเขาทํากับเราบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรเราก็ต้องรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมามนี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงที่อยากให้ชาวพุทธเราทําความเข้าใจกัน<ม>เข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เถิดไม่ต้องไปหาที่อื่นดูที่ใจเราเนี้ยคอยเฝ้าใจเราถ้าเราอยากให้ได้สิ่งที่ดีที่งาม ขอให้เราควบคุมใจให้คิดไปในทางที่ดีเท่านอย่าคิดไปในทางที่ไม่ดีอย่าคิดไปทำบาปขอให้คิดแต่ทำบุญทำกุศลถ้าทำบุญทำกุศลไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำบุญทำกุศลตลอดเวลาเพราะว่าบางทีเราก็ต้องมีมีกำลังในการทำบุญทำกุศล ถ้าเรายัางไม่มีกำลังที่จะทำบุญทำกุศลเราก็อย่างน้อยสิ่งที่เราทำได้ก็คืออย่าไปทำบาปอย่าไปทำอกุศลอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นตอนที่เราเป็นเด็กๆนี่เรายัางไม่มีกำลังที่จะไปทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องคอยห้ามตัวเราเองไม่ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดี ไม่ให้ไปโกหกอคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ไม่ให้ไปขโมยของของเพื่อนอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําได้อันไหนเราทําได้เราทําไปอันไหนที่เรายังทําไม่ได้รอไว้ก่อน <c oughs> เช่นตอนนี้เรายังไม่มีเงินของเราเองเราจะไปทําบุญนี้ยังทําไม่ได้เวลาพ่อแม่พาเราไปทําบุญนี้เรายังไม่ได้ทําบุญรับเพียงแต่ไปหัดทําบุญ เพราะว่ามันเป็นของของพ่อแม่เป็นเงินทองเงินทองของพ่อแม่ไม่ใช่เป็นของเราเพียงแต่ว่าเราไปไปไปเรียนรู้วิธีการทําบุญและรับรู้ถึงความรู้สึกเพราะว่าถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นของของเราแต่เวลาเราได้ทําร่วมทําบุญกับพ่อกับแม่เห็นคนอื่นเขาได้รับความสุขจากการกระทําเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมา แต่จะไม่สุขเท่ากับเจ้าของเงินเจ้าของของคนที่ได้รับความสุขมากจริงๆก็คือคนที่เป็นเจ้าของเงินเจ้าของของที่ได้เสียสละไปแต่คนที่ไปช่วยนี้ก็เป็นเพียงแต่ได้รับได้รับผลเพียงเล็กน้อยได้ให้รู้ว่าเนี่ยการกระทาบุญมันมีความสุขมันดีแล้วต่อไปพอเรามีเงินมีทองมีข้าวมีของของเราเองเราก็อยากจะ ทำบุญขึ้นมาตอนนั้นแหละเราถึงจะได้ทำบุญได้ได้คุณได้ประโยชน์ได้ผลบุญอย่างเต็มที่จากการทำบุญแต่ตอนต้นก็ต้องหัดไปก่อนเพราะถ้าเราไม่ถูกการฝึกฝนอบรมเราจะไม่รู้ว่าเขาทำบุญกันทำไมทำไปแล้วได้อะไรบ้างอย่างไรพอเรามีเงินมีทองเราเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับการทำบุญเราก็จะไม่ได้ทำบุญกัน จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องพาลูกหลานให้หัดทาบุญให้เป็นกันที่ชาวบ้านาบางบางบ้านนี่เขาให้ลูกพอใส่บาตรได้ก็ให้ลูกทำหน้าที่ใส่บาตรให้หัดทาหน้าที่ไปทุกวันก่อนจะไปโรงเรียนให้ใส่บาตรก่อนแต่ถ้าบางช่วงต้องไปเช้าเพราะพระบางทีมามาสายเพราะว่า พระนี้เวลามาบิณธบาตนี่ไม่สม่ำเสมอต้องเปลี่ยนไปตามฤ ด, ดูการถ้าเป็นฤ ด, ดูร้อนก็จะมาเช้าหน่อยเพราะว่าพระนี้จะบินธบาตตามการขึ้นของพระอาทิตย์พอ พ, อพอพระพอพระาทิตยขึ้นเริ่มสว่างแล้วก็ต้องออกจากวัดไปบิณธบัติแต่เชื่องฤ ด, ดูหนาวนี้พระที่จะขึ้นสายห่างกันเกือบชั่วโมงหนึง่ง นั้นก็จะมีการที่มีการเปลี่ยนเวลาไปตามการขึ้นลงของการขึ้นของพระอาทิตย์งนั้นบางทีนักเรียนไปโรงเรียนถ้าในช่วงฤ ด, ดูร้อนก็จะใส่บาตได้แต่พอเริ่มเข้าฤ ด, ดูหนาวแล้วนี้จะใส่บาตไม่ได้แล้วเพราะว่าพระมาสายโรงเรียนเขาไม่ได้เปิดตามการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ โรงเรียนนี้เขาขึ้นตามนาฬิกาเวลาแปดโมงนต้องเข้าเรียนกันไม่ ว, ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวเด็กก็จะไม่ได้สายบาส ท, ทุกครั้งไปแต่อย่างน้อยก็ได้ฝึกได้ทำไปการฝึกฝนอย่างนี้แหละจะสร้างจ้างจิตสำนึกให้กับเขาให้เขาเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของการเสียสละแบ่งปัน แล้วต่อไปเวลาที่เขาโตขึ้นเขาก็จะชอบที่จะทำบุญเขาก็จะทำทาบุญได้แล้วต่อไปเขาก็จะสอนลูกหลานของเขาให้ทำบุญต่อไปใครที่ได้มาเกิดในครอบครัวที่มีการทำบุญเป็นเป็นนิสัยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นโชคดีเพราะจะได้ฝึกได้เรียนรู้วิธีการ สร้างบุญสร้างกุศลซึ่งเป็นวิธีการสร้างความสุขใจและสร้างความเจริญใจให้แก่ผู้กระทาความสุขความเจริญของใจนี้หรือความทุกข์ความเสื่อมของใจนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกว่าความสุขความเจริญของร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้ อยู่ได้ไม่นานก็ต้องถึงแก่กรรมไปจะต้องสูญเสียชีวิตไปแล้วการเจริญทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะสิ้นสุดลง ใจจะไม่ได้อะไรเอาอะไรเอาความเจริญของทางร่างกายไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ใจเอาไปได้ก็คือความสุขความเจริญทางด้านจิตใจหรือความทุกข์ความเสื่อมทางด้านจิตใจเราพูดถึงความสุขความทุกข์ของจิตใจที่เกิดจากการทำบุญทำบาปแล้วทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องการเจริญและการเสื่อมของจิตใจ จิตใจนี้ก็มีหลายสถานภาพอย่างที่บอกไว้ว่าเหมือนกับข้าราชการมีการแบ่งขั้นแบ่งตําแหน่งกันมียศกันมียศในสิบในในจานในร้อยในพันในพลกันจิตใจก็มียศเหมือนกันมีสถานภาพเหมือนกันสถานภาพที่ที่เริ่มต้นนี้ก็อยู่ตรงมนุษย์นี่เองเพราะพวกเราทุกคนมาเกิดเป็นมนุษย์ แสดงว่าสถานภาพของจิตใจตอนที่มาเกิดนั้นเป็นมนุษย์กันถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ายังไม่เป็นมนุษย์ก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องให้อยู่ในสถานภาพที่ที่ใจเป็นมนุษย์ก่อนแล้วการที่จะมีสถานภาพของใจที่เป็นมนุษย์นี้เป็นได้อย่างไรก็ต้องเป็นใจที่เป็นกลางระหว่างบุญกับบาคือบุญถ้ามีอยู่ก็ไม่บ้าข้อบา หรือบาปที่มีอยู่ในใจก็ไม่มากกว่า บ, บุญมเมื่อบุญกับบาปนี้มไม่สามารถที่จะส่งผลให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพราะถูกฝ่ายตรงกันข้ามคาเอาไว้บาปก็คาบุญบุญก็คาบาปช่วงนั้นแหละถือว่าเป็นช่วงที่จิตใจอ ย, อยู่ในสถานภาพของการเป็นมนุษย์พวกเราจึงมาเกิดเป็นมนุษย์กัน แต่ถ้าสมมติว่าถ้าจิตใจของเรานี้ยังมีบาปมากกว่า บ, บุญอยู่บุญบาปยังสามารถส่งผลให้กับจิตใจเราได้อยู่แทนที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแทนไปเป็นสุนัขไปเป็นแมวเป็นนกเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรต่างๆเพราะว่าในสถานะภาพของจิตใจเรานี้ยังถูกวิบาสของ ผลของบาปมีกำลังมากกว่าบุญจึงผลของบาปจึงสามารถส่งผลได้อยู่ก็เลยต้องไปเกิดเป็นเดลาชาอีสักพักหนึ่งก่อนจนกว่าบาปที่มีอยู่ในใจนั้นลดลงมาเท่ากับบุญพอบาปที่สะสมไว้ในใจเท่ากับบุญเวลานั้นก็ถือว่าเป็นเวลาที่จิตใจอยู่ในฐานะของมนุษย์ สามารถมารับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ดนัพวกเราทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้พวกเรามีจิตใจที่ที่อยู่ระหว่าง 50-50 ของบุญและบาปบุญก็ครึ่งหนึ่งบาปก็ครึ่งหนึ่งทั้งบุญทั้งบาปไม่สามารถที่จ ะ, สะแสดงผลต่อจิตใจได้เราก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว อันนี้เราจะขึ้นสูงหรือลงต่าก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำกันแล้วก็ไม่ต้องรอให้เวลาตายไปถึงจะเปลี่ยนสถานภาพมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามบุญตามบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าทาเริ่มทาบุญจิตใจก็จะเริ่มสูงขึ้นระดับที่สูงกว่ามนุษย์เราเรียกว่าเทวดาหรือเทพนั่นเองพอเราเริ่มทาบุญ เล็กน้อยมากน้อยมันก็ค่อยๆสะสมมันค่อยๆแปลงสภาพของจิตใจมันไม่ได้แปลงแบบทันทีทันใดจากมนุษย์เป็นเทวดาด้วยการกระทำบุญเพียงครั้งเดียวมันก็ค่อยๆเป็นปต่างกำลังของบุญที่เราทำไว้ทำมากมันก็จะเป็นเทพมากขึ้นมากขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทบาบาปมันก็จะเสื่อมลงจากมนุษย์ก็จะเริ่ ม, มค่อยๆเปลี่ยนเป็นเดเรัจฉาน จากเดรัจฉาน้าไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายแล้วไปนรกตามลําดับของการกระทําบาปยิ่งทํามากก็ยิ่งเป็นมากยิ่งลงต่ํา ม, มากยิ่งทำทำน้อยก็ลงลงต่ําน้อยเช่นเดียวกับการทําบุญก็เหมือนกันทําบุญมากก็จะก็จะขึ้นสูงขึ้นไปตามลําดับบุญนี้ก็มีระดับหลายระดับด้วยกันระดับแรก จากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพเทพก็มีอยู่หกระดับหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับบุญที่ทำว่ามีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการเสียสละเท่าของเงินทองของเราถ้าเราเสียหนึ่งในหนึ่งในหกเราก็ได้ขั้นที่หนึ่งได้เทพขั้นที่หนึ่งถ้าเราเสียสองในหกเราก็ได้ขั้นที่สอง จนกระทั่งถ้าเราทำหในหคือทำทั้งหมดเลยมีเงินท่าของเท่าไร่เราก็บอยจากไปหมดอันนี้เป็นพวกที่ไปบวชกันเขาจะทำอย่างนี้กันเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพอตัดสินใจบวชก็เลยสละราชสมบัติมีเท่าไหร่ก็สละหมดมีร้อยก็สละไปทั้งร้อยมีหส่วนก็สละไปทั้งหกส่วนเลยไม่เก็บเอาไว้แม้แต่บาทเดียว ออกจากวังไปนี้ไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยนอกจากเสื้อผ้าที่นุ่งติดตัวไปเท่านั้นเองแล้วก็ให้เขาให้ให้มหาเล็กพานขี่ม้าไปออกไปที่ชานเมืองพอพ้นเขตเมืองแล้วก็ลงแล้วก็เดินไปไปเป็นนักบวชนักบวชนี้ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรให้มาเกี่ยวข้องให้มากังวล ด, ด้วยอาศัยลำแข้งลำขาอาศัยอัตตาหิอัตโนนาเถ ในการที่จะบำเพ็ญในการที่จะดูแลตนเองเพราะอันนี้เป็นการดูแลที่ดีที่สุดเพราะไม่ต้องไปพึ่งอะไรถ้าไปพึ่งอะไรมันก็จะต้องคอยหามาพึ่งอยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราพึ่งมันก็ไม่แน่นอนมันก็เดี๋ยวก็มีการชำรุดชุดโซมมีการเสียไปก็อะไรไม่พึ่งอะไรดีกว่าถ้าไปพึ่งรถยนต์เดี๋ยวขับรถยนต์ไปเดี๋ยวน้ามันก็หมดบ้าง เดี๋ยวยางแตกบ้างเดี๋ยวเครื่องเสียบ้างก็ต้องมีภาระที่จะต้องมาคอยดูแลแต่ถ้าใช้ร่างกายนี้อย่างเดียวสบายนักบวชยังไม่ได้ยอมมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรเพราะไม่ต้องการมีความกังวลไม่ต้องการมีภาระการบวชนี้เพื่อลดภาระต่างๆที่มากดดันจิตใจให้เกิดความไม่สบายใจให้เกิดความทุกข์ใจนั่นเอง อันนี้ก็ยกตัวอย่างของการทาทานการเสียสละแบ่งปันก็มีแบ่งไว้เป็น6กระดับด้วยกันระดับแรกก็คือสละหนึ่งในหก็ประมาณเท่าไหร่ร้อยละสิบร้อยละยี่สิบไม่ถึงร้อยละยี่สิบร้อยละสิบกว่าเช่นมีแส0หนึ่งมีเงินเดือนแสนหนึ่งก็สละไปหนึ่งในหส่วนของแส0หนึ่งก็ประมาณ1มื่นกว่าบาททำบุญไปถ้าอยากจะได้บุญสูงครานี้ ก็เพิ่มเป็นสองในหกสองกับหกก็หนึ่งในสแสนหนึ่งก็สามหมื่นกว่าทำสละเงินนี้ทำบุญไปสมหมื่นกว่าเก็บเงินไว้0 0 0มื่น 6, กว่าเอาไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าเป็นคนประหยัดมากน้อยไม่ใช้ไม่เที่ยวไม่กินไม่ดื่มอาจจะทำสามใน6เลยก็ได้ครึ่งหนึ่งได้เรือนละแสนก็บอยจากไปเดือนละห้าหมเก็บไว้ใช้เพียงห้าห 0,000 ื่น บางคนไปปฏิบัติธรรมได้ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องใช้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยไม่ไปซื้อของแบรนด์เนมไม่ซื้อของที่ไม่จําเป็นไม่ไปเที่ยวจับจ่ายไปดูหนังฟังเพลงไปท่องท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ จ, จะสละได้มากกว่า น, นี้อาจจะเก็บไว้เพียงหนึ่งในหสละทีเดียวห้าในหไปเลยหในหส่วน ก็ทำแสนหนึ่งก็เก็บไว้แค่สองหมื่นเล่นนั้นก็เอาไปทำบุญกันแล้วต่อมาเมื่อตอนถึงเวลาพร้อมที่จะออกบวชแล้วทีนี้มีเท่าไหร่ก็สละไปหมดสละเงินเดือนไปแลว อ, ออกจากงานไม่มีเงินเดือนนะเงินเดือนแสนก็หมดไปแต่ไม่ต้องใช้เงินนะพอไปเป็นนักบวชได้ไปอยู่วัดที่มีการสนับสนุนวัดที่ไม่ต้องใช้เงินทอง เราต้องไปอยู่วัดแบบนั้นถ้าเราต้องการที่จะไปปฏิบัติธรรมจริงๆั้องอย่าไปเกี่ยวข้องกับเงินทองดีที่สุดเพราะการมีข้องเกี่ยวกับเงินทองนี้มันยังทำให้เรามีภาระกังวลได้มีภาระห่วงใหญ่ได้ถ้าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินทองแล้วสบายคนที่จะไม่เกี่ยวข้องกับเงินทองได้ต้องเป็นคนที่นอนกับดินกินกับทรายก็ได้ อยู่แบบง่ายๆอยู่แบบเรียบง่ายมีอะไรก็กินตามมีตามเกิดมีอะไรอาหารที่เหลือจากพระถ้าไปอยู่วัดก็ต้องยินดีกับอาหารที่เหลือจากพระให้เกียรติพระก่อนเพราะพระเป็นผู้ไปหาอาหารมาเลี้ยงเราพระต้องไปบินธบาตแต่พระท่านก็ไม่เก็บอาหารไว้มากกว่าที่ท่านต้องการส่วนที่เหลือท่านก็บริจาคให้กับญาติโยมผู้ที่มาช่วยปฏิบัติทางานในวัดหรือผู้ที่อยู่วัดปฏิบัติธรรม อันนี้เป็นธรรมเนียมของวัดปฏิบัติจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นวัดปฏิบัตนินี้มักจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองไม่เก็บค่าใช้จ่ายของผู้ที่มาอยู่ขอให้เขาจะได้มีสถานที่ที่ปฏิบัติและให้เขามีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องภาระการของการหาเงินหาทองแต่อย่างใดแต่ผู้ที่จะไปอยู่วัดแบบนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มากน้อยสันโดษนอนกับดนินกินทราย กินอะไรก็ได้นอนที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นที่สงบขอให้เป็นที่เพื่อต่อการปฏิบัติเพราะเป้าหมายนี้ไม่ได้มาหาความสุขจากการกินการนอนแล้วสําหรับผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้ต้องการมาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการเจริญสติจากการนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเท่านั้นอันนี้พูดเป็นตัวอย่างให้ญาติโยมที่เป็นผู้หญิงที่อยากจะไปบวชกันให้ทราบ ถ้าอยากจะไปบวชเราต้องปรับตัวเองให้มักน้อยสันโดษให้ได้การจะทำได้นี้การปฏิบัติของเราต้องก้าวหน้าไปพอสมควรก่อนถ้าเราอย่างจู้จี้จุกจิกยังไม่ตกกังวลกับเรื่องกินเรื่องอยู่นี่จะไปบวชยากก็ต้องฝึก ข, ขัดไปก่อนก่อนที่จะไปบวชก็ลองอยู่ อยู่แบบมักน้อยสันโดษไปก่อนดูซิว่าอยู่ได้ไ้ยทำได้ไหมห้ยินดีตามมีตามเกิดกินนู้นเดียวได้ไหรือเปล่ากินอะไรก็ได้อย่างนี้เป็นตอนนอนที่ไหนก็ได้นอนบนพื้นก็ได้ไม่ต้องนอนบนเตียงฟูกหนาๆอะไรทำนองนี้ถ้าอยากจะไปบวชจริงๆต้องฝึกซ้มดูกำลังของตนเองก่อนถ้ายังไม่พร้อมนี่ไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็สู้อานาจของ ความอยากสุขอยากสบายทางร่างกายไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องถอนออกมาถอยออกมาไปปฏิบัติได้ก็ไม่นานบางคนตั้งหน้าตั้งตาจะไปปฏิบัติไปบวชตลอดชีวิตบางทีบวชได้ปีหนึ่งก็ลาสิกขาก็มีอันนี้ก็เป็นเพราะว่าถึงแม้จะมีความมุ่งมั่นแต่ถ้าไม่มีกำลังศักยภาพยังไม่พร้อมนีไปก็ไปไม่ได้งั้นต้องต้อ ง, ต, องต้องสร้างศักยภาพให้เกิดขึ้น วิธีสร้างศักยภาพให้เกิดขึ้นก็คือต้องฝึกปฏิบัติธรรมนี้ฝึกสติให้มากเจริญสติให้มากจนสามารถเข้าสู่ความสงบให้ได้ถ้าจิตได้เข้าสู่ความสงบแล้วจิตจะมีศักยภาพสูงเพราะจิตนี้จะมีความสุขจากการปฏิบัติจะไม่ต้องมากังวลกับความสุขทางร่างกายต่อไป ร่างกายจะทุกข์ยากลำบากอดยาขาดแคลนมืออดมือกินมือหรืออะไรนี้จะไม่ไม่รู้สึกเหลือน้อนอยู่ได้อย่างสบายนี่คือพูดถึงเรื่องการเสียสละการทำทานซึ่งเป็นขั้นยกระดับขั้นแรกจากระดับของมนุษย์ขึ้นไปสู่ระดับของเทวดาซึ่งก็จะเป็นเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นผู้คลองเรือนกันผู้คลองเรือนนี้มีทรัพย์สมบัติกัน แล้วก็มาพึ่งทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับตนเองแต่มันก็เป็นของไม่แน่นอนวันใดวันหนึ่งก็อาจจะสูญเสียทรัพสมบัติไปได้อย่างไม่คาดฝันและวันนั้นก็อาจจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาได้สําหรับผู้ที่ได้ศึกษาธรรมได้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็อาจจะไม่อยากจะอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือก็จะให้ความสนใจกับการทําบุญดีกว่า เพราะการทำบุญนี้แทนที่จะเอาเงินไปหาความสุขจากการเที่ยวการกินการดื่มอะไรต่างๆเอามาทำบุญนี่แหลเวลาทำบุญแล้วใจจะได้รับความสุขได้ความอิ่มความสบาย ก, กว่าการที่ไปใช้เงินกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดพอไปไปเสพแล้วมันติด ต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆคอยเสพอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าวเวลาใดถ้าเกิดขาดวันขึ้นมาก็จะไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เวลานั้นก็จะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ดังนั้นให้มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการทำบุญเพราะทำบุญแล้วจะทำให้ใจอิ่มใจไม่หิวกับการไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรส เวลาไม่มีเงินเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีเงินทําบุญก็ไม่เดือดร้อนเพราะบุญไม่ได้เป็นยาเสพติดไม่มีทําบุญก็ไม่เดือดร้อนอาศัยบุญเก่าที่ได้ทำเอาไว้มาหล่อเลี้ยงจิตใจได้นี่คือเรื่องการยกระดับของจิตใจจากมนุษย์ไปเป็นเทพจากเทพจะถ้าจะขึ้นไปก็ต้องเปลี่ยนเป็นการหาความสุขแบบนักบวช ตละเงินทองให้หมดไปแล้วก็ไปฝึกการปฏิบัติธรรมคือการทําจิตใจให้สงบให้เข้าฌานไดน้เข้ารูปฌานเข้าอารูปฌาน mm hmm. ก็จะยกระดับของจิตใจให้ขึ้นสูงขึ้นไปในระดับของพรมรูปประรมและอรูปประพรมแ ล, แล้วถ้าอยากจะให้ขึ้นไปสูงกว่านั้น mm hmm. ก็ให้ขยับขึ้นไประดับหนึ่งคือการปฏิบัติ mm hmm. การศึกษาให้เกิดปัญญา ให้เข้าใจถึงกฎของตายรักและกฎของอริยสัจสีถ้าเข้าใจแล้วก็จะทำลายความอยากต่างๆทำให้จิตใจนี้สูงขึ้นให้กายเป็นผ้าอริยบุคคลขึ้นมาได้นะนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์และใกล้ตัวเราและเราเป็นผู้ที่จะสามารถที่จะกาหนดทิศ ท, ทางของจิตใจของเราได้ว่า จะให้ขึ้นสูง ห, หรือขึ้นต่ำอยู่ที่การกระทาทางจิตใจของเรานี่วันนี้ก็คิดว่าจะต้องสรุปให้เร็วขึ้นนิดหน่อยเนื่องจากว่าฝนฟ้าทาท่าจะมาแล้วเสียเกงว่าจะมีอุปสรรคก็ขอให้ขอแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ท่านขออนุโมทนาให้พรยะทาวารรวาหาตุราปาริปุเรนติสะะลัง เอวเมวอิโตทินังเปตาหนังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยทามะนิโชติระโสยทาสัพพิต so ิโยวิวะจันโตสัพพโรโควีนาสตุมาเตภวะตอันตะราโยสุขีทีขาโยปภวะอภิวาธนสีริสะนิจังวุฒาปจายโน ชตาโรธามาวทานติอายุวโนสุขังอาลังช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามต่อถ้ายังพอฟังได้ยินก็จะดาเนินการต่อถ้าเกิดมันเสียงดังมากพูดไม่รู้เรื่องก็จะต้องขอยุติลงตอนนี้ยังพอได้ยินได้ฟังกันได้อยู่ วันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่ Facebook พระอาจารย์สุชาติ480 YouTube 237 YouTube ดรบ95วิทยุออนไลน์9 Clubhouse 11 Nakuti 136รวม968ท่านค่ ะ, ะถ้ามีคําถามก็เชิญถามได้เลย คุณทวัตมีเพื่อนฝากถามมาครับขณะอยู่กับภรรยาแต่ใจกลับไปคิดถึงผู้หญิงอื่นจะผิดศีลข้อสามหรือเปล่าครับเริ่มแล้วแต่ยังไม่ผิดเริ่มแล้วใกล้แล้วสัญญาณเตือนแล้วบหยุดคิดได้แล้วถ้าไม่หยุดเดี๋ยวไปแน่ๆนคุณเอดี ถ้าเราพยายามมีสติรู้ตัวกับกรรมที่เป็นกลางๆเช่นเดินยืนนั่งให้มากที่สุดหรือเรานั่งดูลมหายใจจากกรรมกลางๆนี้ไปจะกลายเป็นกรรมดีแทนได้ใช่ไหมคะใช่เป็นการปฏิบัติธรรมต้องมีสติเป็นตัวเป็นตัวชี้บ่งบอกว่าเป็นการกระทําป็นกรรมดีถ้าทำแบบใจลอยๆก็ไม่ได้อะไร ผู้ไม่ประสงค์ออกนามผู้ที่ฝึกถึงอัปนาสมาธิจำเป็นต้องมีลมหายใจหายไปและไม่ได้ยินเสียงทุกคนไหมครับถ้ามันสงบจริงๆส่วนใหญ่มันก็จะไม่สนใจกับลมนะคุณยุทธพงศ์ทำอาชีพเกษตรกรรมกับเพื่อนแล้วไปช่วยกันเตรียมดินผสมดินข้างๆและในกองดินมีมดเพื่อนพูดขึ้นว่า จะเอายามากำจัดมดทำงานไปสักพักถึงเวลาที่มแมลงศัตรูพืชมาจะเตรียมยาไว้กำจัดมแมลงเราก็ตั้งใจจะถือสี่ห้าโดยเด็ดขาดโดยไม่ได้ทำเองรู้ว่าเดี๋ยวงานก็ต้องมีการกระทำพวกนี้ขึ้นแบบนี้ถือว่าตัวเราผิดศีลไหมครับถ้าเราไม่ทำหรือไม่ได้บอกให้เขาทำก็ไม่ผิดศีลแล้วนะโอเคก็ อันนี้เห็นฟ้าอากาศก็ไม่อื้ออ้มเยก็คิดว่ากลับบ้านกันดีกว่าบ้านใครมา <c oughs> ไว้โอกาสหน้าค่อยมาว่ากันใหม่อย่างน้อยก็ได้ฟังทมได้ทาบุญไปแล้วทำาถามนี่ก็เป็นเหมือนของแถมอันนี้ก็ไม่มีของแถมให้ก็ออขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติ